นอน้อมต่คุณป ร, รัตนาตะไลคอกาพะจรย์เผยสารพระเทลานุเทละเพื่อนสนมิกทุกท่านจเจริญธรรมะชีและญาติธรรมทุกท่านผัวควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้เพียงชั่วดีบรรดามีประดับไว้ ในโลกาวันนี้ก็เป็นวันเพลหัดที่สี่ซึ่งยังเหลือเพียงสองวันก็คือวันที่หกซึ่งเป็นวันที่พวกเราสิทธานุสิตของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนก็จะร่วมกันประชุมเพลิงสรีระหลวงพ่อในวันนั้นก็อีกสองวันหลังจากวันนี้ไป ซึ่งคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นหมื่นคนนะสิทธิอนุสิสสสท์ทั้งพระทั้งฆราวาสญาติโยมต่างคนต่างก็ทางานร่วมงานด้วยความสามคัคคีด้วยความเต็มใจอย่างเต็มที่นะเพื่อให้งานครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าคุณความดีที่หลวงพ่อได้เคยสร้างมาตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในสมณเพศนี้จากการที่ท่านเกิดมาโดยแทบจะไม่มีใครรู้จักแต่ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ศรัทธาเคารพท่านอย่างมากมายอันนี้ก็เป็นเครื่องอย่างหนึ่งว่าท่านได้ถึงแล้วซึ่งการทำความดีทั้งหลาย ที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะทำขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าจากการที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งต่างในทางโลกให้เขามีความกินดีอยู่ดีหรือเป็นการที่ท่านช่วยดำเนินเข็นกรงล้อของพระธรรมจักรให้เคลื่อนไปข้างหน้าโดยการแสดงธรรมตลอดเวลาสี่กว่าปีที่ผ่านมา สิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาตึงใจนะแก่ทุกๆผู้ทุกๆรูปทุ ก, ท ก, ทกนามที่ได้พบเห็นจบจนวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรานะจะได้ร่วมกันทํางานเพื่อถวายความกตัญญูแก่ท่านอย่างแท้จริงตลอด47ปีที่ผ่านมาท่านก็ได้แสดงธรรมมากมายนับไม่ถ้วนนะท่านดูแล้วก็น่าจะหลายๆพันหรือจะเป็นหมื่นอ่าเป็นหมื่นครั้งหมื่นกัน ที่ท่านได้แสดงทำมามากมายครั้นะี้เนี่ยสิ่งสาระสําคัญต่างๆก็มีมากแต่การแสดงธรรมนั่นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆนั้บางทีเราฟังรู้เป็นเรื่องง่า ย, า ย, าางงายไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไเลยถ้าเราเข้าใจฟังอย่างที่ท่านพูดเราก็สามารถที่ออกจากความทุกข์ได้ง่ายๆเหมือนกันนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเอง เพียงเราพลิกมุมนองเราก็เจาะจากความทุกข์ได้เช่นท่านบอกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้อันนี้ท่านยังพูดบ่อยมากเปลี่ยนหลงเป็นรู้คนเรานี้ยไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นนั่นแหละเป็นนักปฏิบัติหรือไม่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายก็จะหลงกันแทบทั้งนั้นความหลงก็นําให้เราเกิดกิเลสตัณหาต่างๆมากมาย หลงปั๊บมันก็หลงนี่เขาเรียกว่าเป็นโมหะนะก็เลยนาความโกรธอ่านะําความโลภมาให้เรานะเพราะหลงนี่มันไม่รู้ว่ า, าขณะนี้เรากํลาลังหลงอยู่มันก็นกํากิเลสต่างๆมาก็เรียกว่าหลงแล้วก็ไหลไปในกิเลสต่างๆแต่หลวงพ่อบอกให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนทันทีเลยนะถ้าใครเข้าใจตรงนี้มันไม่ไมยากเลยแม้แต่คนไม่ปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ออกจากความหลงได้เหมือนกัน หลงปั๊บเนี่ยรู้เลยอ่ามันออกได้จริงจริงแต่ในคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็อาจจะช้านิดนึงเออมันไม่รู้จะรู้อย่างไรอ่ามันจะหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไม่รู้ว่าจะรู้อย่างไรมันจะช้าตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเขารู้ว่าเออจริงๆแล้วก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวนั่นเองนะมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉนั้นสิ่งหลวงพ่อสอนในตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไครๆนะอ่ในโลกนี้มันก็หลงกับทุกคนนั่นแหละ แต่ความหลงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันแปลกหรือเป็นความผิดแต่เมื่อเขาหลงแล้วเราเปลี่ยนเขาได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหมนะว่าเปลี่ยนเป็นรู้ปั๊บเราจะเห็นวนะ่าความหลงมันก็ดับไปมันก็มารู้แทนก็กลับมารู้กายรู้ใจกลับมารู้สึกตัวเนี่ยความทุกข์มันก็หายไปแล้วนะที่เราไปหลงโกรธนะมันเป็นความทุกข์นะที่เราไปหลงราคาอะอา หลงโลภะมันก็เป็นความทุกข์พอเราเปลี่ยนมันเป็นรู้มันก็ดับไปเนี่ยแค่นี้เป็นการออกจากความทุกข์ได้ง่ายๆนะโดยเพราะนักปฏิบัติก็มีความชำนาญในการเปลี่ยนหลงเป็นรู้อยู่แล้วจากที่เราฟังหลงพาบ่อยๆก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ในปัจจุบันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะรู้กำลังนั่งกำลังยืนกาลังเดินกำลังนอนนะกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไร กลับมารู้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองมันก็จะดับไปความคิดทั้งหลายแหละมันก็ดับไปนะกลับมาเป็นตัวรู้แทนนะมันออกจากความคิดได้ให้เพี้ยนหลงเป็นรู้นี่แหละอันนี้เป็นธรรมะที่หลวงพ่อจะพูดบ่อยมากเลยแล้วท่านก็บอกว่าปฏิบัติก็คือกลับมาคําว่าปฏิก็คือกลับมากลับมาอะไรกลับมารู้สึกตัวนั่นเองเนาะไม่ได้กลับไปไหนนะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้มันไม่ยากเลยนะอ กลับมาได้ไหมนะกลับมาได้ไหมเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเขายาไปก็เป็นเรื่อ ง, ของเขาไปเราไปห้ามว่าไม่ไปไม่ได้แต่เมื่อไปแล้วกลับมาได้ไหมเนี่ยตรงนี้สำคัญกว่านะพระหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออเปรียดหลวงเป็นรู้ก็คือกลับมานั่นเองมาปฏิบัติธรรมก็คือกลับมากลับมารู้สึกตัวเป็นสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังอยู่ในจํา แล้วหลวงพ่อจะพูดบ่อยๆให้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ตรงๆไม่แปลวาอะไรกิจการรู้นั้นรู้ซื่อๆมันคือไม่แปลวาผิดไม่แปลวาถูกไม่แปลวาเหตุไม่แปลว่าผลรู้ซื่อๆรู้ตรงๆไปเลยนะไม่ต้องไปอ่าเอาเหตุเอาผลเอาอะไรทั้งสิ้นกลับมารู้ซื่อๆรู้บริสุทธิ์นะรู้สึกตัวก็รู้ซื่อๆนะ ปฏิบัติธรรมต่างๆก็รู้ซื่อๆนะเปลี่ยนหลงเป็นรู้มารู้ซึ่อๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครั้งหนึ่งที่ท่านเคยไปปฏิบัติกับหลวงปเจนใหม่ๆที่วัดสนามในตอนนั้นหลวงปเจนก็ <c oughs> เรีย ก, กท่านเข้าไปในกุฏิแล้วก็ให้ปิดประตูแล้วก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับทําอย่างไรจึงเห็นข้างนอก เปิดประตูครับหลังนั้นท่านกับหลวงพ่เทียนก็ไปเปิดประตูแล้วก็ท่านก็ไปยืนอยู่ตรงกลางประตูแล้วก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับหลวงม่เทียนบอกอตรงนั้นนั่นแหล ะ, ะทําตรงนี้นั่นแหละแล้วท่านก็ไปตรงนี้ก็ตีความหมายได้หลายอย่างนะก็คือรู้ทั้งภายนอกภายในก็ได้หรือจริ ง, รงๆแล้วก็คือรู้รู้ซื่อนั่นแหละก็คือไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผล ไม่ต้องเอาถูกเ้าผิดกับสิ่งต่างๆก็กลับมารู้นซื่อๆรู้ตรงๆ ร, รู้ในความที่เป็นปัจจุบันนี่แหละรู้ตรงๆ ร, ร, รู้ซื่อๆรู้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปเอาอะไรทั้งสิ้นกับเขาอันนี้มันจึงจะว่าเห็นทั้งภายนอกและภายในเพราะเราไม่ได้ไปเอาอะไรเลยนันก็แค่ความรู้ตรงๆเท่านั้นเองรู้ซื่อๆ น, นั่นแหละคราวนี้ท่านก็มีคําสอนที่สําคัญอยู่ ทำหนึ่งนะที่น่าจะดีมากคือถ้าได้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้เห็นครั้งหนึ่งก็มีนักปฏิบัติอผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าวันนี้หนูเครียดมากหลวงพ่อว่าให้พูดใหม่นักกรรมฐ า, านไม่พูดเช่นนั้นอก็เลยพูดใหม่ว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดท่านบอกว่าเออใช้ได้นะ ตรงนี้เป็นธรรมะที่สําคัญมากเลยนะถ้าหากว่าเราจริงๆแล้วมันไม่ยากนะ ม, นมันแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวมันก็จะความทุกข์ได้เลยเพราะความเครียดก็ดีความโกรธก็ดีนะความไม่พอใจความหงุดหงิดทั้งหลายจริงๆแล้วเราห้ามก็ไม่ได้หรอกเราห้ามว่าเราเราอยากเครียดได้ไหมมันก็ห้ามไม่ได้นะอยากโกรธได้ไหมก็ห้ามไม่ได้อยาลักได้ไหมมันก็ห้ามไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรยาเจ้า เราห้ามก็ไม่ได้แต่เร า, าสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้เห็นนั่นเองนะมันตรงนี้มันพลิกกลับมาได้เลยนะอถ้าเราเข้าใจในตรงนี้มันไม่ยากเลยนะครา้นี้อถ้าเป็นปุรุชนทั่วไปที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ทําทได้เหมือนกันนะเขารู้ว่าขณะนี้เขาโกโรธเขาก็เปลี่ยนได้เออมาเป็นผู้เห็นนะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนยากนิดนึงเออมันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงไม่รู้จะทําอย่างไรนะ แต่ว่าท่านไม่นักปฏิบัติแล้วตรงนี้มันไม่ยาก <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ว่ามันง่ายเหมือนกับพริกฝ่ามือเลยสมัยที่ผมเลือกมาได้ฟังธรรมะนี่ใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่สะดุดหูสมัยนั้นก็มาคิดว่าคนเรามันมีความทุกข์เยอะนะมันก็เกิดจากการที่เราเข้าไปในความคิดนั่นแหละแต่ถ้าเราออกจากความคิดได้มันจึงเป็นเรื่องที่มันง่าย <c oughs> ไม่จะเป็นเรื่องยากอะไรเลยเราคิดแล้วออกจากความคิดได้ไหมตรงที่เรา มีความคิดนั่นแหละเขาเรียกว่าเราเป็นผู้เป็นแล้วตรงที่เราออกจากความคิดมันก็เป็นแค่ผู้ดูทั้นั้นเองนะเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูมันก็ออกมาเลยว่าจากการที่ได้ธรรมะตรงนี้ก็เลยคิดว่าความทุกข์มันก็ทำเลยแล้วไม่ได้หรอกมันทำเลยแล้วไม่ได้จริงๆเลยถ้าเราทำตรงนี้ได้อืโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรเยอะเลยแค่ฟังหลวงพอ่อพูดนะแล้วเราก็รู้สึกว่าความทุกข์มันทำเลยเราไม่ได้แล้วหลังนั้นเราก็เป็นผู้ดูบ่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นเราเป็นผู้ดู อดูกายดูใจไปเท่านั้นเองนะเมื่อมีความคิดเกิดมาก็เป็นผู้ดูความคิดไปไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้คิดมีลมณอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นผู้ดูอารมณ์ไปก็กลายเป็นผู้ดูไปเลยนะปฏบัติธรรมเราก็กลายเป็นผู้ดูไปยืนก็เป็นผู้ดูการยืนเดินก็ดูการเดินนั่งก็ดูการนั่งนอนก็ดูการนอนมันก็กลายเป็นผู้ดูไปเลยตรงนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่หลวงพ่อให้มานะเราก็อ่าเข้าใจในตรงนี้มันก็กลายเป็นผู้ดูไปไม่เป็นผู้เป็น หลมันก็ทํำได้ทุกอย่างไปบินทบายก็กลายเป็นผู้ดูไปเดินไปไหนก็กลายเป็นผู้ดูไปเดินยงกลมก็เป็นผู้ดูมันก็เลยเข้าใจเออตรงนี้มันก็เป็นรูปเองนะเป็นรูปมันไม่ตัวเราดูไปเรื่อยๆมันก็เห็นว่าเป็นรูปเท่านั้นเองนะความคิดเมื่อก่อนเราสมัยก่อนเราเป็นผู้คิดเพราะเราเห็นความคิดเราก็กลายเป็นเห็นนามไปเออมันก็แค่ความคิดนะไม่เรามันก็แค่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเอง มันไม่เป็นความคิดของเราแล้วมันเป็นแค่นามที่มันเกิดระดับนะมันก็กลายเป็นเห็นรูปเห็นนามไปเนี่ยจากตรงนี้ง่ายๆที่หลวงพ่อบอกนะอเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะมันกลายเปิดทำจากยากก็เลยกลายเป็นง่ายไปเพราะเราไม่ได้ไปห้ามว่าเออมันต้องอย่าคิดนะอ่าต้องอย่าโกรธอย่ารักอย่าชังมันห้ามไม่ได้หรอกแต่เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนมุมนิดนึงเออเรากลับมาเห็นก็ได้ไหมว่าอ่าเราเป็นผู้ดูได้ไหมไม่เป็นผู้เป็นแบบสมัยก่อนนะ มันก็เลยกลายเป็นง่ายเลยกลายปฏบัตธรรมนะยกมือส้าอยังบ่าก็เป็นผู้แค่แค่ดูการเคลื่อนไหวนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรารู้สึกมันก็เป็นแค่ความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ตนของเรานะี่ยมันกลับมาเป็นผู้ดูได้ตลอดนะธรรมะที่สำคัญหลวงพ่ออย่างหนึ่งก็คือท่านก็จะบอกว่า ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะตรงนี้เป็นธรรมะที่สุดยอดของหลวงพ่อเลยนะไม่เป็นอะไรกับะไรผู้ที่พูดในในสภาวะธรรมนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าบรรลุธรรมในระดับสูงสุดแล้วเพราะตรงนี้มันเป็นการถอดถอนอุทานทั้งหมดทั้งสิ้นออกไปจากใจนะเป็นสภาวะที่มันเข้าถึงสภาวะของอนัตตาในความที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะคนเรานะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราอยู่อนะ่เป็นประจอยู่เสมอ ตัวเราถูกตัวเราผิดตัวเราดีใครจะมาว่าเราไม่ได้ใครจะมนินทาเราไม่ได้ใครจะกระทบเราก็ไม่ได้ทั้งหมดมันมีตัวเราอยู่นะมันมีมันมีมันมีผู้เป็นมีมีมีอะไรนะมีใครทำอะไรมีใครเป็นอะไรมีใครรู้สึกมีใครโกรธมีใครเกลียดมีใครรักมีใครชัง แต่หลวงพ่อถอดถอนในตรงนี้ได้จากคำว่าใครเป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรนะคำว่าไม่เป็นอะไรกับไรนี่มันมีความหมายที่กว้างอ่าที่สูงที่สุดนะจนหลวงพ่อบอกว่าเมื่อใครเข้าใจคำนี้มันก็ท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่เป็นอะไรกับไรมันก็ไม่ต้องห่วงคนนั้นแล้วคนนั้นมีทางเดินที่ถูกต้องแล้ว คนคนนั้นนะความยึดติดก็จะน้อยลงในความที่เรียกว่าเราความเข้าใจผิด ท, ที่ว่ามีเรามาตลอดมันก็จะวางในตรงนี้ได้นะตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดง่ายง่ายแต่ก็เกิดจากอาการที่เราค่อยๆฝึกปฏิบัติมานั่นแหละในการที่จะกลับมารู้สึกตัวได้ไบ่อยบ่อยกลับมาเห็นกายเห็นใจได้ไบ่อยบ่อยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดรู้สภาวะ ถึงสภาวะเหล่านั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตามันก็จะปล่อยก็จะวางหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายแหล ะ, ะใจก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงๆนะมันมองเห็นว่าสิ่งต่างมันไร้สาระไม่มีความหมายอะไรเลยนะเป็นสิ่งที่ยงเล่ว่าเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความแปรปวนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆนะเมื่อจิตเห็นเช่นนั้บ่อยในสภาวะเหล่านั้น จีก็จะเกิดการเบือนานายเกิดการคลายกำหนัดเมื่อเกิดการคลายกำหนัดจีก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นแล้วอันนี้เกิดจากการที่เรากลับมาเห็นบ่อยๆเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าเห็นครั้งสองครั้งแล้วจะบรรลุอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีบา ร, รมีมากแต่เราต้องเห็นเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนครั้งนะเห็นสภาวะนี่แหล ะ, ะเห็นกายเคลื่อนไหวไปบ่อยนะมันก็อยู่ในฐานกายเมื่ออยู่ฐานกายแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าเรามีพื้นฐานที่ถูกต้องหลวงพ่อก็จะเน้นให้เราอยู่กับฐานกายในขั้นแรกนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดแล้วความคิดมันก็เป็นความคิดไปแต่เรากลับมาได้ไหมกลับมาอยู่ที่ฐานกายถ้าบอกว่ากายเป็นสิ่งที่ยากเรากลับมาที่ฐานกายเนี่ยมันง่ายกว่าหลังจาไปยุ่กับความคิดกลับมาที่ฐานกายบ่อยๆใหม่ๆท่านก็ให้ตั้งใจมีการเคลื่อนไหวนะมีเจตนาในการเคลื่อนไหวไป รู้ไปรู้ให้ชัดเจนถ้ารู้ไม่ชัดเจนท่านก็ให้หยุดกลับมารู้ใหม่นะรู้ตัวให้ชัดชัดใหม่ๆท่านก็ให้มีความรู้ให้ชัดๆัดนะตรงเนี้ยกลับมาฐานกายให้ได้ก่อนอยู่ฐานกายได้บ่อยๆตรงนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานที่ที่ดีที่ถูกต้องเหมือนกับเราจะสร้างตึกเราต้องมีเสาเข็มแล้วก็คือกลับมาอยู่ฐานกายมันก็เป็นเสาเข็มพอเราวางฐานกายดีแล้วมันก็จะไปเห็นฐานจิตได้เอง มาอยู่ฐานกายก็คืออยู่กับปุบันธรรมนั่นเองจิตเคลื่อนไปมันก็จะรู้เพราะมันหลุจากปุบันไปแล้วหลุไปอยู่กัอดีตนาคตมันรู้ทันตรงนี้มันเมื่อเราเห็นบ่อยเราก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งกายและใจได้ชัดขึ้นเรื่อยๆมันก็มันก็กลายเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวไปเลยนะจากการมา่ก่อนที่เราหลงไปอยู่เป็นประจำไม่รู้กายไม่รู้ใจมันก็กลับมาเป็นรู้กายรู้ใจเนี่ยตรงนี้ท่านบอกเปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็ตรงนี้นั่นเองนะพอมันตรงนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นอ่าสภาวะ กายและใจเป็นแค่ลูกแค่นามมันไม่ใช่ตัวไม่ตนจริงๆนะมันกลายว่ามันสภาวะอย่างหนึ่งที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปมาแล้วก็ไปะบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยนะมันเห็นตรงนี้บ่อยมันก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆในสภาวะที่ว่ามันมันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองของเขาเองนะมันมันไม่เป็นเราเมื่อก่อนเรอมันเราคิดเราหลงมันก็พอเข้าใจมันก็เป็นเช่นนั้นของเขาเองไม่ใช่เรานะมันหลงก็หลงไปไม่ใช่เรานะมันโกรธก็โกรธไปไม่ใช่เราอะ มันรักก็ักไปไม่ใช่เรามันก็เพราะมันเห็นไม่ใช่เราจิตมันก็จะวางได้เร็วขึ้นนะก็เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนใจเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้ดูนะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะในสุดมันก็จะเห็นสภาวะคือจริงๆมันก็อ่าเป็นของเขาเองเช่นนั้นมันก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมันก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันก็วางวางทุกสภาวะธรรมเนี่ยต่างๆลงได้นะตรงนี้ความทุกข์มันก็ขาดไปเหมือนที่หลวงพ่เทียบอกว่า มันก็เชือกที่ขึงตึงนะระหว่างเสาสองต้นเชือกขึงตึงๆแล้วก็ตัดตรงกลางเชือกปั๊บเนี่ยมันจะต่อติดอย่างเก่าไม่ได้แล้วนะต่อติดอยงเก่ า, กาไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อใจที่มันเข้าใจในสภาวธรรมนะที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วมันจะต่อกลับมาให้มันเป็นอะไรกับอะไรไม่ได้เลยนะมันจะขาดทันทีนะมันจะขาดทันทีเลยตรงนี้กิเลกก็จะหลุดพัวไปนะอยู่ที่ว่ามันหลุดมากหรือหลุดน้อยก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคน ปัญญาที่เรายัางน้อยก็มันก็หลุดเป็นระดับหนึ่งถ้าปัญญามากมันก็ขาดไปมันก็ต่อกันไม่ติดนี่แหละก็คือปัญญาที่ครูบาอาจารย์ได้ได้เห็นนะท่านได้เห็นแล้วท่านก็นำสิ่งท่านเห็นมามาเผยแพร่มาสอนพวกเราให้เข้าใจในระดับปัญญาที่ท่านเห็นในครั้งนั้นนะเพื่อให้พวกเราได้เข้าถึงปัญญาที่ท่านได้ถึงแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นคาสอนที่มีค่ามากนะ คําสอนท่านเนี่ยมีค่ามากประดุดเป็นเพชรเป็นพอยจริ ง, รงๆแล้วก็ยิ่งกว่าเป็นเพชรเป็นพลอยเพราะว่าเป็นเพชรเป็นพอยมันก็ น, ำ น, ำนําะทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่คําสอนนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันเรียกว่าเราเกิดมามันก็มีแต่วความทุกข์อย่างที่ว่าชาติปีทุกขาเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีตุ ข, ขังความตายก็เป็นทุกข์ เนีเมื่อเราต้องเป็นทุกเช่นนั้นเราหย่อาใจความลุกได้อย่างไรก็คื อ, อเราก็ฏปบัติในตามคําสั่งสอนของพุทธองคนะ์ที่ได้ทรงชี้แนะไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำทั้งหมดมันก็รวมอยู่ที่สตินั่นเองนะสตินี่เปรียบเส ม, มือนรอยเท้าช้างอันนี้หลวงพ่อพูดบ่อยๆนะมันก็รอยเท้าช้างนะแล้วก็รอยเท้าของสัตว์ต่างๆก็มารวมในรอยเท้าช้างได้ฉันใดสติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะมันสามารถที่จะครอบคุมทุกๆุ อ่าสภาวธรรมได้ทั้งหมดเลยแค่เรามีสติเท่านั้นเราก็จะมีสมาธิอ่ามีสีมีปัญญามีสิ่งต่างตามมาหมดเลยแต่ถ้าไม่มีสติตัวเดียวมันก็ไม่มีสิ่งต่างตามมาเหมือนกันนะอย่างที่เคยอ่าที่หลวงพ่อเคยพูดว่าเออที่จะไปขังเสือที่มีหกปากนะเสือหกปากนี่มันคือรูปลดกลิ่นเสียงโผฏฐพธาธรรมลมเอาเอาซี่เนี่ยเอาลุ ก, กงงสองรอยิบเจ็ดซี่ก็ไปขังไม่อยู่ ลูกกง10บซี่แปห้าซไปขังไม่อยู่มีลูกกงแค่ซีเดียวที่ขังมันอยู่ก็คือสตินั่นเองนะี่เดียวคือสติมันขังเสือได้เลยนะเพราะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจ ะ, ะไปต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายกิเลสมันไวมากนะกิเลสมันไว ย, ยิ่งกว่าเครื่องบินนะเครื่องบินในพลที่ว่าเร็วแล้วนะ มันยังสู้สติไม่ได้เพราะสติมันไวกว่ามันเป็นเครื่องบินที่มันเร็วยิ่งกว่าเครื่องบินของกิเลสถ้ามันไม่เร็วกว่ามันจะรู้ไม่ทันเพราะนั้นสติมันไวกว่ากิเลสนะเราว่ากิเลสเป็นไวแล้วแต่สติเป็นไวกว่าเพราะนั้นเราฝึกปฏิบัติธรรมจะมีสติเราจะรู้เลยว่าเราสามารถเหนือกิเลสได้แล้วมันวับหนึ่งเรารู้เลยแวบหนึ่งมันรู้เลยนะเพราะนั้นมันจะไหลไปไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะมันไวกว่าเมื่อมันไม่ไวกว่าเรื่อยๆในกิเลสมันจริงค่อยๆฟอร์ หลวงพ่อเคยบอกว่าเมื่อมันก็ข้าวนี่แหละข้าวเมล็ดข้าวถ้าเก็บไว้สามปีมันก็จะฟอไปไปปลูกก็ไม่ขึ้นนะเพราะนั่นเมื่อสติเราไวบ่อยๆนะกินเลทมันก็จะค่อยๆฟอลงไปเองฟอรถเราไม่ต้องไปกําจัดกินเลทเลยนะแค่เรารู้ทันบ่อยๆมันจะฟอไปเองในสุดมันก็ฟอแล้วมันก็อ่ามันก็ไม่มันก็ค่อยๆข้าวนี่แหละพอสามปีมันก็ไปปลูกไม่ขึ้นแล้วนะตรงนี้แค่เรารู้บ่อยๆมันก็จะดับไปดับไปแล้วจากการรู้บ่อยๆนี่แหละมันจะเกิดปัญญาเห็นสภาวธรรม ในความไปนในอนิจจังทุกขังนาตาได้ในทุกๆุกสภาวธรรมเนี่ยตรงนี้จิตก็จะเริ่มที่จะปล่อยเริ่มที่จะวางได้อย่างแท้จริงเหมือนที่หลวงประเทียนบอกว่าเออตัดเชือกขาดแล้วมันก็ลอไม่ติดเนาะเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อพวกเรานะศิษย์ญาติศรริท์ทั้งหลายที่เป็นพระกะด็ดีที่เป็นฆราวาสเป็นญาติโยมกด็ดีได้สลับกลับฟังได้รับธรรมะจากหลวงพ่อมาถึงสีบเจ็ดปีแล้วเนี่ย ตรงนี้นะเราก็ด้วยการที่เราจะแสดงความกตัญญูกับท่านอย่างแท้จริงและเป็นไปตามเจตนาลมของท่านเราก็ต้องปฏิบัติในเจตนารมของท่านว่าเราปฏิบัติเพื่อการละการคลายกิเลสออกจากใจของเราเพื่อดําเนินให้ถึงซึ่งความบรรทุกได้ในชาตินี้นี่แหละจึงเป็นการที่เรียกว่าเราสนองบุญคุณกับหลวงพ่อได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตานไตรัย ให้พวกเราทุกท่านจเจริญในศีลสติสมาธิปัญญารักถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ทุกท่านเถิด